จะประมาทหน้าที่ของตนคือการชำระกิเลสทุกประเภทเป็นภัยทั้งนั้นโลกที่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ทั่วดินแดนแห่งโลกธาตุนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสนี้เท่านั้นเป็นตัวเหตุตัวทำลายสำคัญมาก ไม่ว่าแต่มนุษย์เราสัตว์ก็หมุนติ้วไปตามเรื่องของสัตว์เพราะพิเลตผันหัวใจสัตว์ให้ดิ้นโดนโคลนกวายไปตามเพศหรือพบชาติของตนไม่เป็นเพียงมนุษย์เราเท่านั้นสัตว์โลกนี้หาที่ชุ่มเย็นไม่ได้เลย กามภพบรูปรรประพบอรูปภระพบทั้งสามพบนี้เป็นแหล่งแห่งกองฟืนกองไฟที่เกิดความเผาไหม้ไปจากกิเลสคือราค ก, กิโทส ก, กิโมห ก, กิสามประเภทนี้รุนแรงมากสัตว์โลกมองไม่เห็นสัตว์โลกไม่รู้สัตว์โลกไม่สนใจมีแต่ดีดดิ้นไปตาม อำนาจของสิ่งเหล่านี้ผลักดันหรือกดขี่คมแห้อมเห่งให้เป็นไปเท่านั้นไม่มีสัตว์ตัวใดารายใดยที่จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไัยไม่สนใจคิดเพราะไม่มีใครแนะนำสั่งสอนให้รู้ก็มีมีผู้แนะนำสั่งสอนให้รู้แล้วแต่ไม่ได้สนใจเท่าที่ควรเหมือนกับความสนใจในกิเลสก็มี เพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงสนุกทําหน้าที่ของตนบนหัวใจสัตว์ตลอดมาและยังจะเป็นไปตลอดไปอีกเช่นเดียวกันนี้ไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะลดจย่อนผ่อนตัวลงเมื่อไหร่เพราะสัตว์โลกอัก็เครื่อหลับไปด้วยความถูกกล่อมของกิเลสประเภทต่างๆมาตลอดและจะเป็นไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดยุติ เนี่ยที่น่าสรุสาเวชมากไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าและพระหันท่านเท่านั้นที่รู้เรื่องรู้ราวของสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีจนถึงขนาดที่ว่าท่อพระไทยในการที่จะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้ดพ้นไปจากทุกข์แม้จำนวนน้อยก็าตามเพราะไม่มีใครสนใจอยากจะออกจากทุกข์นอกจากเบินใส่ทุกข์ด้วยความพอใจของตนโดยไม่ทราบว่าอะไรคือทุกข์ อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์มีแต่ความดิ้นรนกรวนกวายยื้อแย่งแข่งดีกันโดยวิธีการต่างๆจนถึงกับการทำลายกันให้แหลกเหลวป่นปีไปจะเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะธรรมชาตินี้บีบบังคับให้เป็นไปโดยไม่รู้ตัวว่ามันถูกถูกมันบีบบังคับไปอย่าพวกเราที่เป็นนักบวช ถ้ามาเห็นโทษสิ่งเหล่านี้แล้วก็หมดทางอันนี้เป็นโทษที่สุดในโลกแห่งพบสัตว์ทุกประเภทพบก็ออกมาจากธรรมชาตินี้ตั้งต่ำขึ้นมาเป็นพบเพื่อเป็นที่บรรจุของกองทุกข์ทั้งหลายจนกระทั่งวันตายตายไปแล้วก็บรรจุอยู่ที่จิตอีกสาเหตุของมันที่จะให้เกิดความทุกข์ พาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในที่นั่นที่นี่เพื่อแบกหามกองทุกข์ไม่ใช่เรื่องอันใดมีอันเดียวนี้เท่านั้นโลกจึงเกิดความเดือดร้อนกันวุ่นวายวุ่นวายกันมากมายไกล่กองเราอย่าพูดเพียงโลกเมืองไทยเราทั่วโลกดินแดนสามแดนโลกธาตุนี้เป็นพอๆกันหมดตามประเภทของตนของตนเท่านั้นสัตว์รายใดที่ไม่ได้เสวยกรรมไม่มีในโลกนี้ สวยกรรมเพราะอำนาจของกิเลสมันผลิตขึ้นมาให้ทำกรรมคือมันผลิตขึ้นมาตัวที่จะให้ทำกรรมก็กิเลสนั่นเองผลิตตัวขึ้นมาหนูนในสัตว์ทั้งหลายทำกรรมเมื่อทำลงไปแล้วก็เป็นวิบากกระวัดไปอีกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากส่วนที่จะ บรรดนบันดาลหรือบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายทำคุณงามความดีเพื่อหลุดพ้นไปจากอำนาจของมันนี้ไม่มีทางมีแต่หมุนตี้เข้าสู่กงจกักคือวัดตะวนนี่ทั้งนั้นนี่แที่เป็นหน้าสรดสังเวชมากที่สุดมีผมก็เกศสอนหมู่เพื่อนมาก็เป็นเวลานานแต่ก่อนก็ทำหน้าที่การงานได้แนะนำส อ, สอนอบรมได้ แม้ไม่มากคนยังพอแนะนำสั่งสอนมาทุกวันนี้กำลังวังชาทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนไปหมดแล้วไม่มีกำลังที่จะแนะนำสั่งสอนหรืออบรมเพื่อนฝูงตลอดถึงประชาชนญาติโยมให้พอรู้เนื้อรู้ตัวบ้างก็ยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นโดยลำดับเพราะโลกนี้ไม่มีความสงบเลยด้วยอำนาจแห่งฟืนไฟของกิเลสมันเผาไหม้ตลอด เวลาหาความอ่อนตัวลงไม่ได้ก็คือกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวถ้าเป็นเครื่องยนต์นกลไกเราทั้งหลายส่ว น, วนมากก็ว่าเครื่องสึกหลอบ้างหมดน้ำมันบ้างอุปกรณ์ต่างๆไม่ครบไม่พอบ้างแล้วก็ก้าวเดินงานไปไม่ได้พักงานบ้างหยุดงานบ้างส่วนกิเลสไม่มีคำว่าอย่างนี้มีสมบูรณ์พูนผลทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือชนิดใดอันเป็นเครื่องเผาผันสัตวโลกให้หมุนไปตามอำนาจของมันนี่สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แม่ที่สุดเราเดินจงกรมอยู่มันก็หมุนอยู่ในตัวของมันเองเผอเมื่อไรเป็นเอาไปกินเมื่อนั้นหากเราไม่รู้ที่ว่าขาดสตินั่นแหละมันตัดให้ขาดไม่ใช่เรื่องอะไรกระแสของกิเลสตัดสติให้ขาดแล้วก็ลากจิตไป ถ่าทวีปเราก็ไม่รู้เมื่อตัดให้ขาดจากสติแล้วก็ลากคิดไปคิดตั้งแต่เรื่องของมันนั่นแหละไม่ใช่คิดเรื่องอื่นนะคิดเรื่องวัตวนวัตตจักนี้ทั้งนั้นหมุนที่อยู่กันไปกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าอ่อนกำลังวางชาเพราะความคิดปรุงดิ้นไปตามกิเลสเท่านี้มีแต่หมูนไปเรื่อยๆความอ่อนตัวไม่เคยมี ไอกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นวัตจักนี้จึงหมุนไปตลอดใครจะว่าตายแล้วศูนตายแล้วศูนย์สักเท่าไรก็ตามอันนั้นมันเป็นกลนอุบายของกิเลส ท, ที่จะหลอกสัตว์โลกให้จมอีกเช่นเดียวกันไม่ใช่อะไรหลอกนะถ้าว่าไม่เป็นเครื่องหลอกแล้วใครจะเกิดตายมากยิ่งกว่าสัตว์โลกแต่ละลายละหลายนี่เอามาแข่งขันกันไม่ได้หลงพ่อหลวงศา เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้มีมากด้วยกันแล้วกิเลสมันเอาคำว่าศูนย์มาจากไหนสัตว์ทั้งหลายตายจมกันอยู่ตลอดเวลานี้ก็เพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้หมุนเยียนเพื่อความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองถึงแล้วสัตว์โลกนี้ตายศูนย์ได้ยังไง คาว่าศูนย์นี้มันก็มีเงื่อนสำคัญที่มันจะคอยได้จากอันนี้อย่างเต็มเป้าของมันก็คือว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีความเชื่อว่าตายแล้วศูนย์แล้วย่อมทอดอะไรตายอยากในการทำความดีทั้งหลายความดีไม่สนใจแต่ความชั่วนั้นเป็นไปเพราะความอยากที่กิเลสเปิดทางไว้แล้วให้ทำตามความชอบใจเพราะตายแล้วก็หมด สาระคุณประโยชน์อะไรไม่มีใครมารับเสวยผลแล้วอยากทำอะไรก็ทำไปความว่าอยากทำอะไรก็ทำไปนั่นคือทางเดินอันโล่งของกิเลสเปิดไว้แล้วนี่หละที่มันปิดบังทั้งๆ ท, ที่สัตว์ทั้งหลายก็ตัวมันเองพาเกิดแก่พาให้เกิดแก่เจิดตายแล้วมันก็มาบอกว่าตายแล้วสูญไม่ไดไม่ได้เกิดอีกนี่มันกินหลายชาตนมากทีเดียวเรื่องกิเลสหอกสัตว์โลกนี่บูดแล้วน่าสลดสังเวชนะเปิดเข้าไปสิ ถ้ภาภาวนาเท่านั้นที่จะเห็นตับเห็นปอดวิเลสทุกประเภทไม่มีภาคใดเหนือภาคภาวนาไปได้กงแหน่ก็ไปสู่อริยสัจนั่นละ่ะวงกงจักอยู่ตรงนั้นถ้าจิตได้เข้าหมุนตัวเข้าสู่วงอริยสัจแล้วมรคภาพิาปทาเป็นเครื่องหมุนติ้วใส่สมุทรอริยสัจทุกสัจขาดสะบั้นลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือภายใจิตใจเลยนั่นเห็นชัดเจนมากร้อยเปอร์เซ็น พราะว่างหมดไม่มีสิ่งใดเงื่อนใดที่จะมาสอดใส่หรือมาขัดมาแย้งกิดดวงนี้เพื่อให้เอียงไปในทางใดอีกแล้วไม่มีโล่งหมดว่างหมดว่างอะไรเพราะตะกอนกิเลสมันมืดทำให้มืดมิดปิดตามองเห็นอะไรไม่ไม่ชัดและมองไม่เห็นเมื่อกิเลสม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโล่งไปหมด อะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงต่อไปอีกอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดราคะตัณหาซึ่งเป็นแนวทางเดินของกิเลสทั้งนั้นต่อไปอีกไม่มีเลยขาดสะบัน้นลงไปหมดนี่แหละองค์อเดียสัตย์จึงเป็นธรรมที่สาคัญมากผู้ที่เข้าถึงในจุดนี้แล้วเป็นอนว่าหมด ความสงสัยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะมาสงสัยอีกต่อไปแล้วผู้ปฏิบัติเราเท่านั้นที่จะสามารถทราบในสิ่งเหล่านี้ได้เท่าใจมาเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือเพื่อนฝูงที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันมันโง่เง่าเต่าตุ่นอามากจริงๆถ้าพูดถึงเรื่อง กิจยอาการที่จะแก้กิเลสนี้รู้สึกว่าเซอ่อซาเอามากทีเดียวนยีวิตุวิจรณ์กับหมู่กับเพื่อนมากก็เพราะอันนี้เองเรื่องกองทุกข์ทั้งวันนี้คือกิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมาให้พากันทราบไว้ไม่มีอะไรในโลกนี้สร้างกองทุกข์ขึ้นมาให้ สัตว์ตั้งหลายได้รับเสวยตลอดมาทุกวันนี้และจะตลอดไปนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้สร้างความทุกข์ความทรมานให้สัตว์โลกสร้างอยู่ในหัวใจเราเวลาเวลานี้ก็ไม่ใช่อะไรมีแต่กิเลสทั้งนั้นสร้างตลอดเผลอก็สร้างเนี่ยสร้างให้เผลอสร้างให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดไม่หยุดไม่ยั้งมีแต่เรื่อง กิเลสสร้างตัวขึ้นของมันทั้งนั้นนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะอะไรโลกไหนที่มีความสุขในโลกนี้โลกเดือนจาแห่งกิเลสที่ครอบงามหมวัวใจสัตว์ไว้นี่มุมไหนเป็นมุมที่มีความสุขความสบายบ้างตามความคาดชิดด้นเดาของสัตว์โลกหรือของโลกที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางความหวังนี่มีมาก แต่หวังดมๆมแรงแรงนั่นสิไม่ได้มาดูจุดสำคัญที่จะแก้ไขให้เบาบางแห่งกองทุกข์ทั้งหลายออกจากตัวเองจึงมีตั้งแต่แบบ ก, กองทุกแบบ ก, กองทุกอันนี้หนักมากนะธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่ชาวพุทธเราก็ว่านับถืออยู่ถึงขนาดนี้ เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเพราะอํานาจของกิเลสมันผิดขึ้นมาไม่ได้เบาบางไปบ้างเลยยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันความโลภ ก, ก็มากขึ้นทุกวันเพราะกิเลสเสริมให้โลภโลภไม่มีประมาณโลภจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีประมาณราคาตันหาก็เหมือนกันประหนึ่งว่าราคาตันหานี้ไม่เคยมีในหัวใจสัตว์ไม่เคยมีในเขาในเราจรึงพากันตื่นเต้นเอาช จ, จน เป็นบ้าสดๆร้อนๆอยู่แล้วก็มีเป็นไปแล้วก็มีเพราะอำนาจของราคะตัณหามันรุนแรงเนื่องจากมีสิ่งที่มาเสริมมันความเสริมมันก็คือความความกว้านหามาด้วยอำนาจของวิเวสตัณหาไม่มีเมืองพอนี่แหละโลกทั้งหลายจึงได้ร้อนถ้าธรรมราแล้วไม่ร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ระ ง, งับดับมันพอเป็นไปได้ ไม่รุนแรงเวลาศาสนาเจริญสิ่งเหล่านี้มันก็มีแต่มันไม่แสดงตัวเพราะอำนาจของธรรมครอบหัวมันไวมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้ามีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องปกครองบังคับกันไม่ได้ลามปามลุกลามไปเหมือนอย่างทุกวันนี้ทั้งทั้งสีว่า เราก็เป็นชาวพุทธศาสนาก็มีแต่ไม่ได้สนใจกับศาสนาเท่าที่ควรเพราะที่จะระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงได้มันจึงได้รุนแรงขึ้นไปโดยลําดับลําดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้เน้นหนักลงจุดนี้ให้มากนะราคาตันหานี่เป็นตัวรุนแรงมากที่สุดการแก้กิเลสประเภทใดก็ตามไม่ได้แก้ยากเหมือนราคาตันหาอันนี้รุนแรงมาก แม่ที่สุดไม่แสดงออกมาภายนอกมันก็แสดงอยู่ภายในตัวของมันลึกๆนั่นแหละหมุน่อยู่ที่อยู่ภายในตัวของมันนั่นแหละจากนั้นมาก็แสดงออกทางกิริยามารยาทอือันเป็นความหยาบโลนไปเรื่อยๆเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นของละเอียดล้ออเป็นของหยาบโลนมากที่สุดมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดความคิดใดจึงเป็นความคิดที่หรืออากัปกิริยาที่หยาบโลนมากที่สุดทําตัวให้ไหวไปเลยเนี่ยผู้ปฏิบัติ จะต้องเน้นหนักในจุดนี้ให้มากอย่าระวังอะไรมากยิ่งกว่าราคะตัณหารูปก็จะเป็นรูปอะไรรูปเพื่อราคะตัณหาเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสเพื่อราคะตัณหาไม่ได้เพื่ออะไรนะราคะตัณหาตัวเดียวนี่เทียบกว้านาหมดสามแดนโลกธาตุนี้เป็นตัวเจ้าอำนาจครอบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อธรรมชาตินี้ได้ สิ้นสุดลงไปจากหัวใจเรียกว่าม้วนเสื่อลงไปแล้วไม่มีอะไรแสดงที่จะมากวนใจให้เป็นอย่างที่เคยเป็นมามีธรรมชาตินี่เท่านั้นที่รุนแรงแข็งตัวมากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกมาจากอันนี้เป็นแนวหน้าหรือเป็นผู้ น, นําโดยที่เราไม่รู้พอผ่านอันนี้ไปแล้วไม่ได้มี ถึงว่าอาวิชาปัจจญาสร้างคาราก็ตามอาวิชาเพียงเป็นพื้นฐานเท่านั้นไม่ได้แสดงตัวอะไรตัวนี้เป็นตัวออกสนามรบจรึงได้เคยเทียบว่าอาวิชานั้นเป็นเหมือนพื้นแผ่นดินเหล่านี้ส่วนราคาตันหานี่เหมือนสิ่งพาะปลูกหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากพื้นแผ่นดินนี้เต็มแผ่นดินจนมองหาแผ่นดินไม่เห็นเลยมีแต่ธรรมชาตินี้ปกคลุมหูหมอบไปหมด นี่แะอำนาจของตะกิเด็กราคาตันหาตัวนี้มันปกคลุมหุ่มห่อไปหมดอย่างนี้แหละมันมีอยู่ในจิตใจถึงหาความสุขไม่ได้น้ำบวชเราถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ระงับแล้วหาความสุขไม่ได้นะเราจะเอาความสุขด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนเพราะไม่ได้ซื้อขายทําได้ทํานาเหมือนชาวบ้านเขานั่นว่าเป็นความสุขไม่มีทางยิ่งกินอิ่มเท่าไรฉันอิ่มฉันมากเท่าไรมันยิ่งดีดยิ่งดิน้นสนุกดีดสนุกดิน้นควรจะของอยู่ภายในจิตใจ ให้เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ยิ่งกว่าหมาขี้เรือนนี่แหละตัวราคะตันหาเนี่ยตัวสําคัญมากจึงต้องเอาให้รุนแรงไม่ไม่มีทางเว้นว่าผ่อนหนักผ่อนเบากันเอาให้หนักตลอดไม่หนักไม่ได้ตัวนี้รุนแรงมากฉลาดแหลมคมหลายเล่หลายเหลี่ยมร้อยสันปันคมมากทีเดียวมองไม่ทันนักปฏิบัติให้เอาลงจุดนี้ให้มากนะ จุดนี้เนี่เป็นจุดที่พาให้พระเราเสียก็เพราะจุดนี้เองตัวนี้ลากไปลากไปสุดท่าก็จมเพราะมาันจมเพราะมาันจนได้นั่นแหละแต่ไปมีความคุ้นสนิทกับมันไม่ได้นะตัวนี้เป็นไฟเผาได้ทั้งเป็นทั้งเป็นนี่แหละใหพากันรมัดระวังผมนวิตกวิจารยิ่งมีเครื่องส่งเสริมมากมายก่ยคองเข้าทุววันทัววันหนาแน่นไปด้วยอันนี้แหละ ที่จะก่อคืนก่อไฟเผาโลกสงสารในเดือนร้อนไม่ใช่อะไรนะตัวนี้หนละเป็นตัวสำคัญมากเรานะ่ะเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากไอ้น้ำนั้นดีอยู่มีอยู่ใสสะอาดดีอยู่แต่พวกจอกพวกแหนะมันนับวันปกคลุมหุ้มหอ่อให้หนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาจนมองหาน้ำไม่เห็นแล้วปฏิเสธว่าน้ำไม่มีไปเสียนั่นนะ่ะมันจะเอาขนาดนั้นนะ่นเวลานี้ ปฏิเสธน้ําทั้งบึงะว่าไม่มีเพียงจอกแหนเท่า น, นั้นนะปกคลุมไว้เพราะมันปกคลุมอย่างหนาอย่างแน่นเข้าไปทุกวันท่านักปฏิบัติเราเวกจอกหรือกวาดจอกกวา ด, วาดแหนออกไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครที่ได้เลยมาจะสามารถเห็นน้านําน้ําอัดน้ํำทำที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ด้วยสระขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้ว มรรคผลนิพพานกับกิเลสตัณหาอยู่ในฉากเดียวกันคือหัวใจอันเดียวกันสดสดร้อนรอนเหมือนกันเหมือนกันกับมืดกับแจ้งนี่แหละเปลี่ยนวาระกันเพียงเท่านั้นออกมาจากมืดกับแจ้งอันเดียวกันสถานที่เดียวกันนี่ออกมาจากใจใจเป็นผู้รองรับส่วนมากรองรับตั้งแต่ความมืดบอดนั่นสิความใสสว่างกระจ่างแจ้งไม่ค่อยมี คงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเองโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหละให้มากกว่า น, นี้ให้ดีกว่า น, นี้ไม่มีอะไรดีมีแต่เครื่องหลอกลวงของกิเลสนั่นละมันต้มมันตุนไปทุกนง่ทุมุมผมนวิตกิจาร์เท่าแก่มาทลายยิ่งพิจารณาเข้าไปทลายยิ่งเห็นความลึกซึ้งของธรรมพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทาให้อิจฉาและอาจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันปิด ไม่อยู่นี่มันเห็นจนได้รู้จนได้นอกจากจะนำมาพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเพราะธรรมย่อมมีประมาณควรพูดไม่ควรพูดควรแสดงไม่ควรแสดงหากรู้จักประมาณในธรรมชาตินั้นเองส่วนได้ที่ควรจะนำมาพูดมาแสดงได้ก็นามาแสดงอย่างที่แสดงอยู่เวลานี้เป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะเน้นหนัก ในเรื่องภัยของจิตคืออะไรคือราคาตัณหานี่ภัยของจิตภัยอันรุนแรงเอาให้หนักไม่หนักไม่ได้นะจะจมไปหมดล่ะพระเราเสียเพราะอันนี้เองไม่ใช่เพราะอะไรนะตัวนี้ตัวรุนแรงมากเผลอไม่ได้ทีเดียวถ้าตัวนี้ได้จารลงไปเช่นจิตมีความสงบ คว่าสงบก็คือสงบจากอันนี้เองจะเป็นสงบจากอะไรรูปเสียงกลิ่นรสคือรูปอันนี้เสียงอันนี้กลิ่นนี้รสอันนี้เครื่องสัมผัสอันนี้แหละจะเป็นอะไรไปอสงบไม่ยุ่งพอได้อาหารดื่มคือความสงบเรียกว่าสมรรถธรรมได้รับความสงบจากธรรมแล้วก็อยู่กับอันนี้เสียจิตไม่สจิตมีความสงบแล้วก็ไม่ดีดไม่ดิ่ n หาฟืนหาไฟเหมือนแต่ก่อนนี่พอมีความสุขผู้มีจิตเป็นสมาธิที่เป็นความสงบเข้าไปบ้างแล้วย่อมมีสุขมีความสงบมากเท่าไรสิ่งเหล่า น, นี้ไม่ควรมีแต่ความสงบแน่วทั้งวันเท่านี้ก็พออยู่พอกินคนเราแต่เพียงสมาธิเป็นของไม่แน่นอนเผลอเมื่มอไรมันก็เสวมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงต้องเลื่อยใช้ทางปัญญาเมื่อจิตมีความสงบแล้วจิตอิ่มตัว กิดอิ่มอารมณ์แล้วสนุกพิจารณาพาพิจารณาบังคับบัญชาให้พิจารณาแยกคาดแยกขันแยกเขาแยกเราแยกหญิงแยกชายแยกออกหมดในอวัยวะนี้มีอะไรอันนี้นหะตัวใหญ่โตมากภูเขาผูเราของเขาของเราว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลคือตัวนี้เองเป็นตัวรุนแรงมากมองไม่ทะลุภูเขาทั้งโลกเขาทําลายได้หมดแต่ภู้เขาผูเราอันนี้ทําลายไม่ได้ ไม่มีใครสนใจทําลายมันจึงได้ก่อตัวของมันขึ้นเรียกว่าร้อยเพลงพันเพลงอํานาจของกิเลสมันคลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นผ่านคมให้เป็นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังทาวรเป็นไปหมดนะทัทง้ทงๆติดถังมูดถังคูดมันก็เต็มอยู่ในร่างอันนี้แหละมันจะเป็นอะไรนี่คือถังมูดถังคูดนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะ แม่ว่าของเขาของเราเป็นถังหมูถังพูดมันก็เสกสรรปัญญป้นย่อไปเหมือนทองคําธรรมชาติเห็นไหที่เด็สหลอกคนหลอก ส, สุดๆร้อนๆอย่างนี้อ่ะทั้งๆที่เห็นอยู่เป็นถังที่อยู่นี่มันก็ไม่ยอมรับว่าเป็นถังขี่ถังขยะนะมันไปยอมรับเอาสิ่งไม่มีนั่นว่าไปเป็นของสวยของงามไปเสียนุน่นนะ่ะนั่นที่มันถึงได้ได้รับความทุกข์เมื่อมันปีงเดียวกับธรรมคือความจริงแล้วย่อมเป็นทุกข์มนุษย์เรา นี่พิจารณาให้ลงถึงความจริงอย่างนี้เอาให้หนักให้แน่นวันหนึ่งวันหนึ่งจะพิจารณาทางด้านปัญญาให้อยู่กับธรรมชาติอันนี้เทียบเขาเทียบเราให้ได้สัตดได้ส่วนหมุนตี้อยู่นี่ท่านออกจากนี้แล้วก็เข้าสู่ความสงบของใจพอใจรับความสงบมีกําลังแล้วออกพิจารณาอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญก่บ ง, งานอื่นใดนี่แหละผู้ที่จะแวกว่ายที่จะผ่านพ้นไปได้ต้องเอาให้หนักในเรื่องอสุภะอสุพัง ปุขังอน้จังอนัตตามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละพิจารณาให้แหลกไปเลยทั้งวันทั้งคืนยาปล่อยว่างจิตใจหน้าที่การงานของเราที่จะรื้อภพรื้อพระรื้อชาติรื้อวตาสงสารรื้อตรงนี้แ่ะไม่รื้อตรงไหนนะหรือผูเขาผูเราทําลายผูเขาผูเรานี่ให้แตกกระจายลงไปแล้วรื้อภพรื้อชาติไปในนี้เสร็จพระนาคามีก็คือผู้ทําลายภู้เขาผูเรานี่แตกกระจายนั่นแหละเป็นพระอนาคามีขึ้นมา รานจึงพอให้พากันตั้งอกตั้งใจเทวดาวันนี้มันเหนื่อยมากไม่เทศดามากอะไรตั้งแล้วเอาแค่แนี้นะพอพอรับแขกรับคนมาตั้งวันตั้งวันตั้งวันไม่ได้นึกว่าจะพูดได้ขนาดนี้นะเพราะมันอ่อนไปหมดจริงๆเทวดาไปเทวดาไปหมา ก, ก็เลยมากวนได้เลยทำลายเอาเอานี้ออกเราจะทําพิธีอะไรครับวันสาม ทางวัดใหม่วัดนแองได้บอกล้วหรื อ, อเรื่องอุโบสถจักรกรรมแล้วทางนี้มีมพระปัจจโบนอกเปล่าไม่ไมีบอกแต่ถ้ากันร่งปัจจุบนอกคนนี้ต่อไปแต่ไม่ร่องปัจจุบนอทังนู้มมนทั้งนั่นเต็ม ลำบากการแปลกันมากทกต้องกันเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นถ้ำนะ <c oughs> า, า น, น, น, นึ่งนะนีพราเจ้าองค์อยู่อ่ะอือห้องเราผมก็กม่ได้ไ่ได้ไปดูอีกสระะ้างเรียบร้อยไม่ติดส้างเรีบเหมืนเาบอกต่างกันแบบอืม ผมเนื่อยจะถืกว่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนน้ำหยงอยงได้แเมันอ่อนแต่มดมันเป็นของมันเองเลยฮดขามาฮดขามาโอ้ปลป่อมด คิดสองเต็มแล้วไปทำงานพ่อแม่อาจารย์แปดสิบแล้วท่านก็ไปแล้วเราถึงแปดสิบสองถ้าธรรมดาแล้วผมไปนานแล้วผมไม่อยู่แล้วมันจังหวะมันจะไปมีเยอะปล่อยแล้วก็ไปเลยไม่ล้างพอรั้งได้รล้างอยู่เมื่อมันสุภิสัยแล้วแม้พระพุทธเจ้ากนิพพานอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบ้านพูน เรื่องท่านเอาไปสกลนครนั่นแหละท่านล้างของว ข, ของท่านเลยท่านเล่งให้รีบนัรีบพระก็ทั้งวาระสุดทายนี่ไปกันคืนนี้นั่นน่นขนาดนั้นนะเล่องท่านเร่งให้เอาไปลงคืน <c oughs> พอไปถึงวันนั่งก็ไปเลยนั่นถ้างั้นแล้วพอไปถึงนี่จานนอนหลับให้ไปถึงแล้วก็หกทุ่มพื้น เร็นมจากนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วก็มองนู่นมองนี่นั่นรู้แล้วว่าคุนสภาพที่ท่านต้องการดูกุฏิดูอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอะไรหลันั้นหลับไปแล้วก็มื่วัดตะวลนนี่นะที่รจริงวัดตะวันวัาแต่จับจิตเนี่ยเข้าในองค์อเยสัตมันต้องชัดไม่ไม่ใช่เราจะไปถามใคร ทําลายทุกสมุทรราชออกแล้วกองจากของวัตตวนออกแล้วด้วยมรรกษัตริย์แล้วขาดจะบ้านไปหมดเลยไม่มีเงื่อนอะไรมาต่อมาติดไอพ่อทราบวันที่ยิบๆยบนะถึงมันถึงได้พูดเต็มปากว่ามีกี่เหลียเท่านั้นชี้นิ้วเลยจ้ะโอตัวนี้นนตั ว, ต ว, ตวรุนแรงมากก่อกวนรุ่งเรืองวุ่นวายตลอดเวลาอุ้ยมันเหนื่อยเข พ อ, อนี่ม้วนเสียงไปแล้วไม่มีอะไรเยหมดล่องหมดเลยวันไหนจะมีเรื่องอะไรขึ้นมานีมันก็ไม่เห็นมีแต่เราไม่ได้สังเกตหามันเรื่องๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีที่ไหนว่างไงมันหมดขนาดนั้นแล้วพูดกันฟังชัดๆอย่างนี้แบบมันจนจะตายแล้วนี่พูดเยอะจะเป็นอะไรไป มันหมดขนาดนั้นแหละมันไม่มีอะไรเหลือเนี่ยดูก็ดูไปเฉยๆดูธาตุดูขันไปเกี่ยวกับโลกสงสารก็เพื่อนก็ฝูงไปนัอยู่กันนี่ก็ยิ่งธรรมดาผมไปเมื่อไรผมพร้อมเสมอผมไม่มีอะไรมันหมดทุกอย่างแล้วว่างนั้นเถอะที่จะเป็นห่วงเป็นไรกับอะไรมันหมดจริงๆกับคงห่วงความดมันก็มีที่เหลือแสงนั้นเหรอแล้วก็ไม่เห็นห่วงวันําไม่ติตเองสังคมไม่จิต มันอิหนาและอาเจีเรื่องที่จะแยากว่าตาเกิดไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยที่นี่แหละที่นั่นะมันน่าจะเรื่องความเพียรให้เต็มที่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เป็นอย่างอื่นว่างั้นเลยที่นิ้วเลยไม่เป็นอย่างอื่นเป็นมาอย่างนี้ตลอดมาถึงวันนี้ชาตินี้แล้วยังจะไปอีกตลอดไม่มีกําหนดกฎเกณถ้าธรรมะตัดไม่ได้นะมีทธ ร, รมทมานั้นตัดนอกนั้นไม่มี สามดนโลกธาตุมีตั้งแต่เครือของจิเลธทั้งนั้นทีเดียวที่จะถุดจะลากเอาไว้มีทำเท่านั้นมีเต่ว่าอินนาอาใจ ท, ที่จะแหวกว่าตาเกิดไปอีกแลว้วไม่มีกำหนดกฎเกือนซะด้วยนะพวกชาติอะไรไรไม่ทราบจะเกิดเป็นอะไรต่ออะไรร้อยแปดพันประการหรือหมื่นแสนล้านประการก็ไม่ทราบแล้ว มันมากกันอนะมันสับสนปนเปกันไปเป็นไม่ได้ทุกแห่งแต่เดือนบงคือดูที่ยุ่ยยิยยุ่ยยิอยู่ตามนั้นตัวละเอียดทรายก็เห็นกับนี่แต่จิตรตรงนี้แหละแล้วกิเลสครอบครอบอยู่นั่นนะบังคับกันอยู่ในนั้นแ่ะเกิดในชาติไดพบใด น, นี้แต่ธรรมาชาตินี้บีบบังคับอยู่ตลอดเวลามันน่าทุกข์อินหาและอาใจนนะ่าเพื่อนโผงเกล็กควรเห็นโทษนะนี่ก็ะเทยเต็มเหนี่ยวแล้วผมไม่มีอะไรเหลือแล้วนะ มดพุ่งอะเทศสอนหมู่พนะื้นเทศด้วยความไม่สงสัยซะด้วยนะอ๋อที่จะหมุนต่อไปอีกนี่หมุนไปไม่มีหยุดมีถอยไม่มีเขยมมีแดนเหมือนกับมันเป็นมาไม่มีทางออกมีทําต่านั่นเป็นเป็นทางออก นองนั้นไม่มีถ้าออกจากทุกมีแต่ธรรมนองนั้นไม่มีมีแต่เครือของจิเรสเต็มสามโลกธาตุนี่มีแต่เรื่องของจิเรศทั้งนั้นมีธรรมนองนั้นจะออกได้ธรรมาจากักจักคือธรรมมัคคาปฏิปทานนั่นเ ร, เรียกว่าธรรม อยู่ธรรมจักร <c oughs> อ๋อมันอินนาลอาใจใ่เวลามันผ่านน้งมันไปแล้วมันถึงมองมานี่ใหม่แล้วมันมองไปทั้งหน้าที่โ ล, โลกสัตโลกทั้งหลายที่จะหมุนกันไปนี่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นนี่อีกเนี่ยมันทั้งทำให้อินนาลอาใจนะเพราะงั้นเทมันถึงแผดบ้างมีขนาดนี้ก็เพียงเบาๆนนะที่ว่าเหล่านี้อย่างเทตกสอนยาสอนรวมอ่านี้ เพียงบาๆขนาดนั้นถ้าจะเอามาตามความรู้ความเป็นภายในจิตใจนี่ฟังไม่ได้นะซัดกันลงเต็มเหนี่ยวเลยเราเคยค่ากิเลสค่าแบบไหนแบบไหนเอานั่นออกมาใช้ดูสิหน่ะฟังไม่ได้หรือกิเลสมันฟังไม่ได้มันกิเลสมันหนามันไม่ควรจะฟังก็ไม่เทศให้ฟังเช่นเมื่อมันบางมันควรจะฟังก็ฟังจนผู้บางแล้วก็ต้องก้ารตั้งแต่ความจริงเนี่ยความจริงตรงไหนออกถึงถึงแล้ฟังถึงใจถึงใจ กิเลสมันดันไว้ดันไว้แล้วจุดท้ายก็ถูกกิเดสกล่อมให้เป็นไปตามกิเลดเสียว่าเท็จเท็จเผ็ดเทร้อนเท็จดูเท็จ ด, ดาเท็จยาเท็จโลนไปอย่างงั้นนั่นนี่จะไปตามกีเลสนั้นน่ะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำอะไรถึงว่าโง่ขนาดไหนะโลกนี่ว่างั้นนมันพูดได้เต็มปากสริมันรู้อย่างเต็มใจนี่จะให้ว่ายังไงตลาดึงโง่มันก็รู้อยู่เต็มหัวใจนี่ นี่ถึงอินทร์นาระอาใจนี่ที่จะแนะนำต่างสอนน่นอ๋อวันเราฝ่ามือไปกัน้นน้ํามหาสมุทรไม้มันตั้งขึ้นนี่สิธรรมะเพียงฝ่ามือเท่านั้นนะขึ้นมหาสมุทรใหญ่ขนาดไหนดูดินั่นนักขึ้นของกิเลสใหญ่ขนาดไหนด้วนขึ้นต้องทำเพียงเท่าฝ่ามือพระเจ้มาตัดสู้แต่และพระองค์พระองค์ก็ดึงออกได้ดึงออกได้พอประมาณตอนนั่นก็กองอยู่นี่มดน่ะตายกองกันอยู่นี่มดน่ะ โอ้ทุเรี่ยงจริงๆนะเวลามันได้รู้มันรู้จริงๆรู้ไม่สงสัยคือวางเ่ยเวลามันปิดมันก็ปิดมันไม่รู้ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรเลยเวลามันเปิดมันเปิดนี่หนีไม่เคยรู้เคยเห็นมันรู้ของมันเรียนของมันไปเห็นประจักษ์ประจักษ์ไปด้วยนะไม่ได้มีที่ไปรูปรูปคาคำไปด้วยนะเออลงได้เห็นแเราเห็นจางจริงจังทั้งนั้นอ่ะเห็นจริงเห็นจริงไปเลย หายต้องใส่หายต้องใส่โอ้โหทุเรศจริงๆ น, นะความเกิดแก่เกิดตายที่จะหมุนไปต่อไปหมุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจมลงนรกก็จมมากต่อมากที่ไหนมีแต่ที่อยู่ที่ทรมานของสัตว์ทั้งนั้นนะในสามแดนโกธาตุนี่มีแต่ที่อยู่ที่ทรมานของสัตว์ที่จะสวัดสุขสะดวกสบายไม่มี เป็นขั้นตามขั้นตา ม, ตามภูมิแห่งความสุขความทุกข์นะความสุขความทุกขตามขั้นตามภูมิเั้งอต่สวรรค์พรมโลกวันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพอบรรเทาที่นอกจากนี้ไปแล้วก็คือรังสวยทุกอยู่ทั่วแดนโลกกระฐานตัดตัวไหนที่จะไม่สวยไม่มีปฏิเสธได้เลยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเสวยทั้งนั้นเละ อ๋ออำนาจของเจดีย์นแหแม่ธรรมชาติอันนี้มันไม่มีใครมองเห็นนะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่มองเห็นกับทำเครื่องแก้กันที่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติไม่ได้ต้องอุบัติเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเป็นยุคเป็นสมัยมาน้ำดับไปน้ำดับไปเป็นยุคเป็นสมัยไปถ้าไม่มีอย่างนี้ก็สัตว์นี่ไม่มีหวังว่างั้นเลยนะสัตว์นี่หมดหวัง มันมีทางออกพระพุทธเจ้ามาโปรดแต่ละครั้งละครั้งแต่ละพระองค์พระองค์นี้เหมือนเกลาหน้ามาดับไฟเหมือนมาเปิดประตูออกจากกองขังนั่นแหละผู้ที่มีอุปนิสัยปัจจัยแล้วก็ออกออกได้อผู้มีอุปนิสัยถ้าผู้ถ้ามีอุปนิสัยก็ตามถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาแสดงนี้ก็เหมือนกับปิดประตูไว้อยู่ปากขอกมันก่อไม่ได้เหมือนวัวเราอยู่ปากข้ อ, อ, อ, อ, ป, ขอประตูปิดอยู่มันก็ออกไม่ได้อุปนิสัยมีอยู่ แต่มีผู้มาเปิดให้เปิดปากข้อคือเปิดทรรมัมนออกไม่ได้อ๋อทุเรศจริงๆนะมันถึงใจทุกอย่างเวลามันได้รู้ได้เห็นของมันแล้วมีพระพุทธเจ้ามาอุปวัตขนะนี้โลกกระจางไปแล้วนะี่ทุเรศหนาแน่นเข้าหนาแน่นเข้าโลกจางทาแล้วนะ จางทําไปเรื่อยๆน้าวันจางไปเรื่อยๆขี้เล็กหมุนกาเรื่อยๆหมุนก็เรื่อยๆขี้เล็กเหมือนงูเหลือมพันจัดเลยมันมีคําว่าอ่อนตัวขอให้ทําอ่อนมากน้อยอย่างไรขี้เล็ก จ, จะแข็งตัวเาเท่านั้นเท่านั้นน่ะเอาจนกระทั่งไม่มีทำมามีวิญญาณในใจเลยมันเอาไปขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงเอาทุเรศเราจะไปนับไปอ่านว่ากี่พบกี่ชาติมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อางนี้วางั้นเลยพอ หมุนกันไปหมุนกันมาตายเกิดตายเกิดตายเกิอดอยู่อย่างนี้เื่อยไม่มีทางออกมีทาํ า, า, ล า, า, ออาแล้วมาลากมาเขียนออกอ็ถูกขังจริงเวลามันมันเหนือแล้วมันลูหมด เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่กาเหล่านี้่เวลามันมันผ่าน้ัวมันไปแล้วมันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งอนี้มันสนุกพิจารณาที่จะว่าสนุกนะถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่มันก็กระทบกระเทือนตัวเองอยู่นี่นะหรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมันก็ไม่กระทบกระเทือนนสิมียังไงเป็น ย, ยังไงดูตามความมีความเป็นเจ้าของมียังไงเป็นยังไงมันก็ดูอยู่แล้วนี่แน่มันสงสัยที่ไหนเรื่องของเจ้าของที่อยู่ที่ไปของเจ้าของเป็นยังไงมันประจักษ์อยู่ในหัวใจนีูแล้ว เป็นปัจจุบันตลอดเวลาอาการดิโก้เราจะไปหวังพึ่งอะไรดูปัจจุบันนี้ก็ไม่พึ่งอะไรแล้วเห็นประจักษ์สีอย่างนี้หนันที่มันเห็นสนุกดูข้างนอกอะไที่นี่สิ่งที่มันเจี่ยยวโยงกันไปมาก น, อกนอก้อยเยียงไรดูกันไปดูกันไปโอ้แล ม, มีสิ้นสุดเลยเนาะเราไง ว, ว่ามานอนใจอยู่ได้หรือว่าพวกภาพวงเลนเราเนะ่ยมันควรจะเป็นไปได้ทุกขนาดไหนทุกเพียง การประกอบความเพียรนี่มันจะทุกข์ขนาดไหนว่าวางั้นเลยเวลาจะจมมาในกองทุกข์นี้มันยิ่งมากกว่านี้ขนาดไหนกี่กับกี่กั้นผ่านมาแล้วแล้วก็กี่กับกี่กันที่จะไปอีกข้างหน้ามากขนาดไหนทุกในชีวิตนี้เพื่อความเพียรมันทุ่มลงไปแต่มันจะเป็นอะไรไปว่าะจริงได้กล้าพูดหรือที่ว่าความเพียรว่าทุกในโรกนี้มันมีอะไรเกินค่ากิเลสว่างั้นเลยพูดได้เต็มปาก พรามันถึงขนาดนั้นจริงๆเรานะ่ะบางทีเหมือนจะตา ย, ยาจริงๆข้าก็ไม่ได้กินหายใจขมเหลวขมเหลวทนเอาทุกทุกทรมารขนาดไหนก็เอาแต่ใจมันเป็นอีกอย่างหนึ่งไงี้มันไม่ได้มาขามเหลวขมเหลวเหมือนลมหายใจนะใสมันสง่าผ่าเผยถึงวันจะฉันแล้วถึงมันแม่มันขมเหลวขมเหลวแลน้นนะถึงวันจะฉันแล้วมันยังไม่อยากฉันทางด้านธรรมะเนี่ย ขนเนมันไม่ค่องตัวเนี่ยมันเด็อย่างนั้นนะมันทุกข์มากจริงๆอ๋อยิงนั่งตลอดรุ่งนี้มาแหว่างั้นเลยะ <c oughs> ถ้ามันสลัดตายนง่มันนั่งไม่ได้นะ <c oughs> มันสลัดตายมันเด็ดด้วยแล้วก็ได้ชมล่ะชมใจดวงนี้นะแหมเด็ดขาดจริงๆนะ <c oughs> มันทุกข์ขนาดนั้นเอาไม่เลยตายว่างั้นเลยนะ <c oughs> เอาๆลงไปทุกมีอะไรเอาขอแสดงให้หมดวันนี้พุกนู่นน่ะดูที่นะ ไม่ใช่ท่าทายคือของจริงว่างั้นเถิดของจริงตัวของจริงอยากพบกันขนาดไหนเอาเอาถึงตายฉันไม่เลยตายสัดกันเลยแต่สติปัญญานี่จะ ห, หมุนติว้วติ้วนะทนเฉยเฉยไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์นะมนีทนด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาเวลามันถลุมากเขาจะอะไรสติปัญญานี่จะหนีจากนั่นไม่ได้เลยเช่นอย่าง นั่งตลอดรุ่งนี่นะตั้งแต่ขนาดนั่งปุ๊บลงไปแล้วจิตจะไปเพ่นผ่านไม่ได้เป็นอันขาดนู่นมันดัด ก, กันมาตั้งแต่ น, นู้นแล้วนะจิตเพ่นผ่านไม่ได้เลยจะไปคิดเรื่องอะไรนองรู้นอกทางนี้เป็นไม่ได้เด็ดขาดมันเอาขนาดนั้นเอาชีวิตแลกกันปันขนาดนั้นนะนบังคับจิตนี้โถทุกมากจริงๆนะ <S <S บังคับมาเป็นชั้นชั้ชั้นชันบังคับชั้นนั้นแล้วก็ยังมาบังคับชั้นด้วยลำ เ, เป็นทุกข์มากๆนี่อ๋อมัน เหมือนมันมันจะเน่าเฟนะนั่นในร่างกายของเรานีิมันเอาพอๆนะเอาเอาทั้งไหนก็เอานั่นพระพุทธเจ้าท่านสรุปเราไม่ไถึงขั้นสลุนี่นละ้เอาสลุก็สลบมันควรตายก็ต้องตายว่ะแต่ถอยไม่ถอยเนี่เรื่องสติปัญญามันหมุนติกิ้วกิ้ ว, วทุกข์มากเสยียเลยมันยิ่งจ่อเข้าไปพิจารณาเข้าไปเรื่อยมันทุกข์ตรงไหนวะเอา้าเรื่องความอยากใหายทุกข์หายยาไปอยากนะโโหมันเพิ่มทุกข์ขึ้นอีก กายกองนะเรื่องทุกข์มันจะหายมาหายไม่สําคัญสําคัญที่อยากรู้ความจริงเนี่ยครับทราบตรงไปนี่โถวเวลามันถึงที่มันแล้วมันขาดสะ บ, บ้นไปหมดจริงๆนะอ้เวลามันถึงที่นี้แหละที่ว่ารู้อริสัตรู้ความจริงของอริสัตย์รู้อย่างนั้ น, มนไม่ใช่รู้ด้วยความจารู้ด้วยความจริงจริงเวลาพิจารณามันรอบตวงมันแล้วกายกระสักแต่ว่ากาย เวทนาความทุกข์ก็สักแต่ว่าความทุกขใจก็สักแต่ว่าใจต่างอันต่างจริงเหมือนอย่างท่านทั้งกายเวทนาจิตธรรมมาแล้วสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาสักแต่จิตสักแต่ธรรมเวลามันรอบตัวของมันแล้วจิตไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งได้นี่ที่นี่ทุกจะมากขนาดไหนมันก็หัวเราะได้ยิ้มย้มยิ้มยิมได้สบายนะมันไม่ได้เข้าถึงใจมันเป็นธรรมชาติของจริงของมันอยู่อันหนึ่งดังนั้นมันก็ไม่กระเทือนใครเมื่อเราไม่ไปเอื้อมมันแล้วนะ มันมีแต่ของจริงล้วนๆกายก็สักแต่ว่ากายเวลาทุกข์เกิดขึ้นมากมายกายกองนี่กายเขาไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาก็เป็นกายของเขาอยู่ทุกข์ก็ไม่เห็นรู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของไข่ด้วยว่าจะทําทุกข์ให้ไข่เนี่ยใจเมื่อไม่ไปหมายแล้วก็สักแต่ว่าจิตอยู่อย่างนั้นไปนี่แต่เพราะมันยังเขาถึงความจริงต่างอันต่างจริงแล้วจิตก็เป็นจิต น, นี่มันก็ไม่กระเทือนกัน ผิดก็แน่วเลยโถเวลาลงนะอันอลังการจริงนะไม่ลืมนะ ท, ที่มันเป็นนะมันพูดไม่ถูกอะไรนะจิดเวลาถึงขั้นเต็มที่แล้วนะทั้งๆ ท, ที่อวิชาก็มีอยู่ในนั้นนะในเวลานั้นเรายังไม่ได้สนใจกับอวิชานลยนะสนใจแต่เนี่ยฟาด ก, กันกับตรงที่ว่าทุกขเวทนานมันลงเต็มที่ของมันแล้ว มันสักแต่ว่านะความรู้ที่ที่ที่ปรากฏอยู่นั่นนะ่ะไปจะมาปีนคำ ว, ว่า ส, สักแต่วารู้นั่นก็เป็นที่อัศจรรย์ด้วยนะนั่นนะคือจะพูดอะไรต่อไปอีกไม่ได้มันจะเป็นสองนีเพราะอันนั้นมีอันเดียวแนวแล้วไม่แน่วเด่นๆนะแน่วแบบไหนพูดไม่ถูกแต่พูดได้แต่เอาอัศจรรย์ อันหนึ่งอันหนึ่งไม่ลงแต่เป็นเกาะอยู่เงนี้ยทุกเวทนาเข้ามายุ่งไม่ได้ต่างอันต่างจริงแล้วต่างอันต่างอยู่นั่งปัตรไหลก็ได้นั่นทุกเวทนาก็ไม่เห็นมันจะกำเริบมันจะกำเริบไปถึงตายมันก็ไม่เข้าถึงจิตเนี่ยว่ามันเข้าเมื่อมันรู้จริงเห็นจริงกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะถึงตายมันก็ไม่ถึงจิตทุกเวทนาเข้าถึงจิตไม่ได้ เพราะนั้นเียงกล้าพูดอย่างที่เราเวลาจะเป็นจะตายนี่มันจะเวทนาหน้าไหนามาหลอกเรานาหรว่ะเวท น, นาหน้านี่เราน้าเดี๋ยฟัดกันอยู่เวลานี้เดี๋เลยรู้กันอยู่แล้วเวลานี้นี่ยเวลาจะตายแล้วมันจะเวทนาหน้าไห น, าหนามาหลอกเราอั น, นแล้วพิี่นาลงถึงจิตว่ามันจะตายมันจะยิ่งเด่นมันโกหกกันเห็นมไหมโลกโกหกโลกกิเลสเนี่ยไปนั่น ผมวทุกมางจริงนะเรื่องความเพี่ยนนี่เราไม่ลืมงานในโลกเราเคยผ่านมาทุกอย่างตามกําลังของเราทุกจนจะเป็นจะตายก็ทุกแต่ไม่เคยสละชีวิตกับมันแต่งานภาวนานี้สละตลอดตลอดพอถึงที่แล้วเอาน้าเท่านั้นนะ่ะพอเลยถ้าเราว่าเอาหน้าเป็นขาดสะบั้นไปเลยจิตนี้มันเด็ดมากนะจรินจังมาก มันไม่เคยรอแหละแต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วมันยิ่งเข้าถึงเข้าได้เขาเขียนงั้นแล้วมันจะมารอดแหละได้ยังไงอ๋ออาจารย์นั่นแหะมันไม่ถอนะ่ะที่นี่นลงได้รูขนาดนั้นแล้วไม่มีคํำมาถอนนั่นแหละอจาจารยศรัทธาเชื่อฝังเลึกเลยอ๋อลูอ่อริศาสตร์ดูอย่างนี้นั่นดูด้วยความจํากับดูด้วยความจริงมันต่างกันนานนี่ท่าน <c oughs> เวลาเข้าระดับก็ อ, อวิชาฟาดเขาอาวิชาเจอแล้วอันนั้นมาแล้วมันก็โล่งไปหมดเลยมันไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาควรไม่มีอะไรมายุมาแย่ไม่มีอะไรมายุ่งเลยนะถึงรู้ว่าโอ้จิเลนี่ตัวยุ่งนั่น่รู้จิเลนี่ตัวยุ่งมีมากมีน้อยยุ่งตามส่วนของมันจนได้จนหมดถ้าจริงๆไม่มีเหลือแล้วไม่มีอะไรยุ่งขันก็ะทรงมาอยู่งั้นนะทรงธาตุทรงขัน มันจะไปเมื่อไรมันก็มันก็เป็นธรรมชาติของมันอันนึงมันก็ไม่ทราบจะไปว่าอะไรมันมันควรไปก็ไปควรอยู่ก็อยู่หวังอะไรกับมันก็ไม่เห็นมีหลังมันพอสะทุกอย่างแล้วมันไม่หวังนะครับลงพอแล้วไม่หวังจะหวังพึ่งอะไรนี่ไม่หวังมันพออยู่ในตัวแล้วไม่ทราบจะไปพึ่งอะไรไม่หวังแหละนี่พูดอย่างเด็ดขาดอย่างจริงจังในหัวใจด้วยไม่ใช่พูดออกมาอย่างลอยๆเลยแหละ พูดอมาแบบร่คมคําไม่รูปไม่คํำนี่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนจึงไม่มีตก ว, วิจารณเวลาตายยิงได้กล้าบอกบุกเพื่นคือเวลามีความจําเป็นแล้วธาตุขันกับยามันเข้ากันไม่ได้แล้วให้หยุดนะยาแล้วยาเอายามายุ่งนะนั่นเด็ดขาดด้วยแม่เอามายุ่งยามันหมดร่างกายหมดสภาพแล้วไม่รับยาแล้วเอามายุ่งทำไมแ ล, แล้วถึงเวลาสุดท้ายบอก สภาพเป็นยังไงอยู่แล้วใครจะมาแตะต้องกายนะครยัมาจับมาต้องแล้วยัมาเตือนคํานั้นคํานี้นะมันทําหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติทั้งของใจจะทําอะไรก็แล้วแต่และเป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่ทำโดยความเจตสันตปั้นยอเพื่ออย่างนั้นเพื่อแก้อย่างนี้มันไม่ได้เพื่ออะไรนี่ออมันหมดที่จะเพื่อแล้วนี่มีนจะดูธาตุดูขันะอะไรจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเอง มันเน้นชัดๆอย่างนั้นที่นักปฏิบัตินะพรูทีเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นตัวเป็นอะไรทีขึ้นมาผู้ที่เจ้าแสดงไว้แล้วแสดงไว้แล้วโง่ขนาดไหนพวกเรานาดนั้นที่เป็นแบบนี้ที่นั่นแบบนี้มีแต่ผู้ทีเจ้าสอนมาแล้วไปในอ๋อนี่ตรงนี้ท่านก็นสอนมาแล้วว่าอย่างนั้นนั่นไงอย่างการเวทนาจิตทํานี่สักแต่ว่าสักแต่ว่านั่นเห็นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นสติปัฏฐานสี่กับอเยสันกันเดียวกันเนี่ย ท่านแยกอาการเอาไว้เฉยหลักใหญ่อันเดียวกันถึงเวลาจะเป็นจะตายจริงไม่ใครมายุ่งให้เหมาะสมจริงเราตายคนเดียวเราไม่ให้ใครยุ่งเลยเพราะตายไม่มีความกังวลตายไม่มีความยุ่งเหยิงกับวุ่นวายกับอะไรก็ไม่ทราบจดไปดินหาอะไร หนึ่งเวลามันหมดสภาพไปหลือร่างกายนี่ก็ปล่อยแค่กันเท่านั้นเองแน่จิตก็พออยู่ในตัวแล้วก็ไม่ทราบจะไปอาศัยอะไรพึ่งอะไรหวังอะไรอีกเหนียวอะไรไว้อือมันไม่มีอะไรที่จะเหนี่ยวแล้วหรือรังอะไรเกาะอะไรมันชัดอย่างนั้นกินการปฏิบัตินี่พูดจะิงจิงตามความชัดของจิตแน่นไม่สงสัย แม่พระพุทธเจ้าว่าพูดกรสาทุพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านถามอะไรธรรมชาติอันเดียวกันนั่นจะถามหาอะไรนี่เราเคยได้ยินพระแม่กวนจันพูดท่านพูดแล้วท่านยกมือขึ้นสาทุพูดแล้วไม่ใช่โอ้วดท่านว่างั่นนะ <c oughs> แม่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามหนี่นว่างี่เลยนะท่านพูดอย่างเด็ดขาดเทียวทูลถามท่านทําไมของอันเดียวกันนะว่า ที่เวลามันเป็นมันก็ของอเดียวกันจริงๆอย่างท่านว่าอันนี้มันก็ต้องพูดเป็นแบบเก่าแบบท่านพูดแล้วแหละไม่ทูลถา ม, มา ก, ก็ของอันเดียวกันเนี่ยหรว่าพระทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่อย่างที่พูดไว้แล้วนั่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่นี่หมดเลยที่นี่อ๋อตัดสินใจลงขาดสะบันลงไปแล้วที่นี่ เป็นพบภพหลงชาติมีจากอะไรมีจากอะไรมันรู้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหนือเพราะเหนือแล้วก็เห็นมันหมดแล้วที่เรื่องของกิเลสนี่ะมันเป็นกลมายาอุบายอะไรใดๆมันหลอกสร้าโลกมันสอบางโกด้วยวิธีใดอันนี้มันรู้ซะหมดจะว่าไงเจ้าของเหมือนควายนะผู้รู้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่มันรู้อยู่นี่เจ้าของฟูกกิเลสครอบหัวอยู่นั้นมันเหมือนควายตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งนะมันไม่รู้ตัวนี่นะ ผู้เช่นูท่านรูอยู่นี่นเพราะท่านผ่านมาทั้งตุกงิ้งตัวอย่างแล้วไม่รู้ผ่านไม่ได้ไม่รู้ข้าไม่ได้น <_ s 1> ี่นั่นธรามาบุทเจ้าสวดล้นล้นแท้นะ <_ t ip> พริกแปบเดียวท่านเป็นทํามแปบเดียวเป็นกิเลสอยู่ในจิตดวงเดียวนี่พร <s> ิกนีอยู่นี่ไม่อยู่ที่ไหนอาการนั้นสมนัยนี้โอให้กิเลสมันหลอกไปต้มไปนี่แล้วหลอกไปต้มไปเงี้ยอยู่เมื อ, อ, องอินเดียบ้างสมัย พุทธเจ้าวันนี้ผ่านไปแล้วได้ 2,500 กว่าปีบ้างมันหลอกไปหลอกไปคิเหตมันไม่เห็นไปอยู่ 2,500 ปีไม่เห็นไปอยู่ข้างพุทธเจ้านู่นมันอยู่ในหัวใจนี่นั่นเวลาแก้กันก็แก้อย่างนี้สิมันไม่ไปหา 2,500 ห้าละที่ไหนนี่วะมันอยู่ในหัวใจนี่ฟาดตรงตรงนี้มันมีการมีสมัยเมื่อไรคิดเหตุมันก็เป็นลักริกะเหมือนกันเป็นลักริกโก้คิดนั้นถึง เป็นกิเลสเมื่อไรมันก็เป็นเมื่อนั้นคิดได้เป็นทําเมื่อไหรก็เป็นมันอยู่ในใจนี่เขพูดไม่ถูกในจิต ด, ดวงนี้นะไม่ว่างั้นเลยมิจะพูดลําแม่ตอนนั้นนะเหนืออะไรเหนือจะทุกสิ่งทุกอย่างเหนือสมมุนเหนือจะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเขาเอื้อมถึงเลยไม่เหมือนกับอะไรเล ย, ยนี่ที่เป็นมากี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตามเถอะจะแบบเดียวกันพูดแบบเดียวกันหมด มันมันมีอะไรที่จะไปเทียวที่นี่เวลามันมองดูโลกนี่มันเหมือนพวกเรานี่เหมือนกับหุงหนอนนะมันขนาดนั้นนะอันนั้นขนาดไหนมันถึงได้มาเทียบนี่เหมือนหมูสัตว์เหมือนกิมิชาติพวกหนอนนะฟังสิมันงมมันเงากันอยู่เลยอะงมเงาเต่าตุนกันอยู่อย่างนั้นง่ามตืวมเตี้ยมอยู่อย่างงั้นเผินในสิ่งที่ไม่ควรเพิน นอนไปเพลินในขี้เพลินในสิ่งที่ไม่ควรเพลนิพลนอย่างนั้นพวกเรามันก็เพลินในสิ่งที่ไม่ควรเพลนินบางทีที่ทำมาท่านต่อยหมดแล้วท่านรู้หมดแล้วท่านมูหมดแล้วท่านสลัดออกหมดแล้วพวกเรากินเศดกินเดรนนะนี่ที่เดดมันกินเศดกินเดรนของ ท, องทาที่สลัดออกมาแล้วท่านมันเป็นยังไงสูงขนาดไหนต่ําขนาดไหนวินาซิละเอีขนาดไหนทำมู้เจ้าเลิ่อขนาดไหนเอามาเทียบไม่ได้ไม่มีอะไรเทียบในโลกนี้ มันเรท่านว่าเลิศเลอเลิศเลอนี่ท่ก็ยกออกมาพูดเฉยๆนะเพราะโลกมีสมมุติธรรมชาตินั้นยังพูดไม่ถูกอีกมดูยังเทศยังนักโต้ในเรียนจำมันแล้ว เขาอยู่ที่ไหนที่ไหนเยบ้านไหนเมืองไหนเจริญบ้านไหนเมืองไหนเจริญน่ะเรือนจําไหนเจริญน่ะอแน่มีนักโทษเต็มอยู่ในเรือนจํานั่นแน่มันเจริญที่ตรงไหนน่ะเนี่ยันนักโทษนั่ะนี่ก็พวกนั้นแบบก็แบบนั้นแหละพวกเราทั้งหลายนักโทษนั่ะมันเจริญที่ตรงไหนน่ะเมื่อกี้เดชครอบหัวมันอยู่แล้วมื่อี้เดชเป็นนายนักโทษ นายคุมนักโทษฟาดทพิเศษลงบดแล้วมันไม่มีนายคุมหือไม่มีสิบังคับบัญชาเป็นอิสระเต็มที่ยิ่งสนุกดูตาหูจมูกยี่งกายที่เคยระมัดระวงงังแต่ก่อนวัวมันมันเป็นจริงๆนี่ดูปั๊บไปกิเลสทันทีฟังไปกิเลสสีตาหูจมูกยิ่งกายสัมผัสสัมพันสนกับรูปเสียงสิ่งรด เครื่องช้ำผาดต่างๆนี้มันเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีจรเวลากิเลสมันพองตัวมันเรื่องอํานาจเป็ยงั้นน้ำเป็นกิเลสหมดในละวัดระวังนีเวลามันม้วนเสียงไปแล้วดูท่าไรก็ดูที่ท่านมายากตาแหกตาแห้งมันจะเป็นอะไรดูให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นี่เมื่อมันหมดเปนอย่างนั้นจะเรียกว่าหมดเหรือดูมันเป็นกิเลสเห็นมันจะหมดเหรอดูเท่าไรก็ตามฟังท่าไรก็ตามมันก็ไม่เป็นกิเลสมันก็เป็นธรรมชาตินั้น เป็นธรรมชาตินี่ตาก็เป็นธรรมชาติของตารูปเป็นธรรมชาติของรูปมันเป็นเครื่องมือเครื่องใชต้ตอา น, นั้นเัร่องใช้ของใจเมื่อใจไม่มีอะไรแล้วมันก็เท่านั้นเองเหมือนกับเครื่องมือทิ้งไว้อย่างนั้นจะทําอะไรเห็นข้อนตีดตะปูเราไม่จับมาตีมันก็ทิ้งมยูอย่างนั้นตาเราไม่ไม่ไปใช้มันก็ทิ้งอยู่อย่างนั้นทั้งวันนะโอ้อจาจจัญมากเลยนะทําแดนอจาจรย์ อุทจะผ่านพ้นไปได้มิโธท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยคุยกันนี่นี่แต่ท่านเดินตายมาท้งนั้นนะแล้วเราไปคุยไงนะเด็ดเป็นคนหน้าหย่างนะแต่คนอันนิสัยแล้วนึกว่าเป็นเราคนเดียวเงียเงี้ยเราหนาคนเดียวที่ได้สัดกันอย่างลําบากลาบนแสนทุกแสนทรมากกนขนาดนี้ แ้วครูบาอาจารย์เตือนยังไงเวลาคุยธรรมะกันแล้วไม่แห่ท่านกับใบแบบหนึ่งของท่านนะอืมวิธีฝึกของท่านนะ่ะเด็ดมากทีเดียวผู้เจ็บพ้นไปมีแต่พวกเด็กๆสมัยปัจจุบันนี่เพราะสมัยนี้มันสมัยแย่งประทับปรมะอยู่นะพวกเนยยะมันแย่งประทับปรมามะมันกั้มกลึงกันอยู่นี่มันแย่งประทับ ป, ปรมามะมันไม่ไปไปแย่ง ปกติกันโยวิปปิจิตันโยที่มันไปแย่งปัทภปรมะมันตอนนั้นมันถึงลําบากเลยอ่ะตอนนั้นเป็นอุกติกันโยวิปปิจิตันโยทั้กันรวดไปแล้วประมาณสมัยทุกวันนี้มันคี่เห็นมันหนาแน่นเข้าหนาแน่นเข้ามันก็เลยกลายเป็นนยยะปัทภปรมะแย่งกันแย่งตาแหน่งกันมะ ก็นั้นเวลาพูดจะเอาจิงเอาจังห้ดูดพ่นจริงจริงท่านจรงต้องหนักมากนะหลังห้องปู่ขานียเมาแห่ท่านก็เล่นของท่านนั้นนั ก, น ก, นกจางควีก็หนักน้งปู่แหวนเราไม่เคยได้คุยขันปฏิบัติาเครื่องดาเนินดาเนินยังไงไม่ได้คุยคุยแต่จุดสาคัญสากัน ถามปัญหาท่านป้าบใส่ปุ๊บมาเลยถามป้าบใสปุ๊บเลยปัญหาที่ถามนี่ไม่มีในตำราเนี่ยนะแต่มีในความจริงถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ว่างั้นเลยถ้ารู้แล้วไม่ต้องไม่ยากปังเดียวเลยอย่างท่านตอบเรานะ่ะก็ใส่ป้าบเข้าไปท่านถางออกมาเลยเนี่ยนี่ท่านรู้แล้วแหนใส่ป้าบอีกป้าบออกมาอีกเลยเร็วยิ่งกว่าอะไรนั่นหลักธรรมชาติต่อหลักธรรมชาติถามกัน ในปันหาในประกายบิดเด็มาเห็นประกายบิดเด็กท่านแสดงไว้เป็นกลางกลางปฏิบัตินี้มันซอกแทกซิแซักนี่นะเอออะไรจะเกินภาพปฏิบัติว่าซอกแทกซิซักทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นต่างๆนี่ซอกแทกซิแซัแกมากที่สุดเลยอย่างพ่อแม่ครอาจารย์ท่านว่านนะธรรมะที่มาในกำพีร์เท่ากับน้ําในตุ่มในไห้ด้วย แต่ธรรมะทีไม่ได้มาในคำพี์เท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรน้งแห่ทำไมถึงพูดว่าถูกต้องของลางหนาเพราท่านเป็นแล้วท่านถึงพูดนี่วะท่านเอามาจากความเป็นของท่าน <c oughs> เราไม่เป็นนี่ถึงไม่ไปเรื่องในลาวอะไรความงงงวยสวยๆความหมู่ขั้ ว, วนีล่ละผมหนักมากเล่นะ แบบหูหนวกตาบอดลอยู่ก็หมุนว่อนไปแบบหูหนวกตาบอดป้าเหมือนไม่รู้ไม่คี้เลยอย่างนั้นพออยู่ได้ถ้าจะอยู่จี่้เรื่อยโอ้ยไม่ได้ไม่มีเวลาเลยจี้ตลอดต้องเคลื่อนไหวไปมาที่ยาของกิเลสที่มันควบคุมควบควบุมมันออกหน้าออกหน้าอย่าไม่รู้นะ ตอนตั้งรากตังฐานที่แรเนี่ยหนักมากหนักม่ไม่ยูชาอยู่ชาไม่ยู้าเข้าชาออกพวกไปเรือยมาเนี่ยหนักมากอยู่อนหนงตั้งรากตังฐานที่แตั้งยากมากเกาะไม่ติดคุณทุกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะเกาะติดได้แต่คิดเป็นสมาธิ เขกาสู่เข้าสู่ความสงบแล้วก็เขาจะพักตัวสิไม่เพราะกล้าคำกด้ายพอรู้เรื่องคำกรจายแล้วสึ่งนี้เอาอย่างนี้ทุกเรื่องทุกันคุกจะทุกรู้เหตุรู้ผลทุกมีทางคุกมีช่องมีทางไม่เลยถึงจะฟาด ก็ไม่คลกคลาเหมือนข้างยิ้มแบกบงั้นก็คุกอันนึงคุกเป็นค น, นแบบคุกคุกแบบไม่ถอยอันนั้นคุกแบบหมุนเกี่ยวเกีวเกีคุกไม่ถอยคุกแบบไม่ถอยหมุนเลยคุกเ็นคนแบบแต่ทุกนั่งทุกมีหวังไม่ต่างกัน สงสางมันทะุกสกมืไรนี่ะมันจะหมดเรื่องคุกข์นะหมดละเรื่องทุกนะทก็พระความเพียงหมดเลยวุฒิธรรมปรม็มาจียงังกรงะชังกรณียังงานประยังอิจตายากีประชาะะะนาจืองค์อาจารย์อยู่จบแล้วกืสิ้นสุ เสด็จจิตในจัตติยานแล้วทีาตชาติชาติสิ้นแล้วนาพลังอิตายาตยิจติอื่นที่ทําก็ะตางกันอย่างจิตที่ควรทำได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนาพลังอิตายาติจิอื่นที่ทําให้ยิ่งกว่านี้ไม่มี ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีรับนะเขาหวังพวงนี่ผมญาญโญงเขาดีเขาคอยมาใส่บาทกินเงิรับเขาวงเื่อรับนะเขาวังถ่ายออกไปเป็นไรไปเขาวังจะใส่บาทเขามารออยู่จนคนใสบาทมากเป็นทุกวันทุกวันคนช่างนี่รอเาไร แล้วก้าวถึงนี่แหละใช่อืมอืมมันจะยรายเดียวกับวานี่มูช้างนี่คนมังมากกวานอื่นเยอะนะแต่ถ้าคนมานอกใส่เขาก็ไม่ใส่มากถึงคนมากสิ่งที่ใส่ก็ไม่มากถ้าเป็นคนกรุงเทพใส่แล้วมันเอามากนะคนเดียวฟาดเต็มบาทคนไม่มากก็ตามถ้าเป็น ถ้ากลางมาใส่มันต่างกันนะตูมงเดียวตู ม, มเดียวฉะน้นเต็มบากแล้วพวกนี้ใส่ตั้งเก้าคนสิบคนก็ไม่เต็มบาทมันต่างกันอย่างนั้นผมนั่นเอาตู ม, มเดียวเลยผมสงสารยัรงทำไงได้พูดทุกวันนะ่เนีไย ก็กันเสร็จแล้วหือจาเขามันมมดนะจะกลับไม่ยอมกลับนะอยากได้ยินจะฟังนะพูดจะฟังว่าอะไรลกน้อยเราก็เหนื่อยของเราไม่อยากเกนะล่นเพราอะไรนะก็ได้พูดอย่านะ หดเข้ามาหดเข้ามานะ่ะนี่เป็นเองนี่เป็นเองนะหดเข้ามาหดเข้ามา อ, อุท่าลงเยอะจากตัวหดเข้ามาหดเข้ามาทีอาการข้างนอกจบกหมดนะ เราตายแล้วนี่ทำไงนนหมูนนะ่บ้วนผู้เชืเป็นหลักเป็นเจนมีน้อยมากนะเดี๋ยวนี้จะไม่มีแนละ้วถ้าไม่ตั้งหลักตัง้งเจนด้วยตัวเองจะตัง้งต่วัดนีน้มัวประมาทอยู่ได้เลยในสติประธานสี่ มันแสดงว่าสติปรสานสี่หรืออะไรที่ว่าเจ็ดสงชาติเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันฮะมันแสดงว่าอะไรมหาจิตประานประสานสูดใช่ไหมผมก็ลืมแนละ้วไมไ ม, ไม่ได้ดูนานเลยนะผู้เจริญสติประสานสนะี่หรือว่าันเจ็ดปีสังชาติเจ็ดปี เรื่องไปก็นก่ น, ก น, น, นั่นกเจ็ดเดือนเจ็ดวันวางเงินมีทางสําเร็จได้ไม่ต้องใส่วางเงินเป็นมหาจิตวิฐานยังไงท่านแสดงว่าในมหาจิตวิฐานมั่งก็ฟังมหาสติเป็นไรมหาจิตวิฐานน่ะทิดตั้งแห่งสติอันใหญ่หลวงนั่นแปลวแล้ว สติเก่งก้าสามารถมันก็สำเร็จแล้วจิอันจะแสดงว่ามหาตสติประธานสูตร่้นบรรยายออกทียาอาการทุกอย่างออกหมดมหาสติประธานสตรแต่สติประธานสตรนี้ว่าไม่ก ว, ว้างขวางมากให้พอดีกับกำลังของคน ออย่างช้าเจ็ดปีแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดวันธรรมดาถ้ามันถึงขั้นมหาสติปัฏฐานสูแล้วมันถึงขั้นมหาสติปัฏฐานแล้วมันไม่นานเลยหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นสิมันนานอ้าถึงขั้นมหาสติมหาสติมหาบัญญาแล้วโถหยุดเมื่อไหร่หมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวคว่าเขื่อนมีเมื่อไห่นั่น ม, <asthma> มันก็สําเร็จแล้วสิถ้าลงขั้นนี้แล้วมันก็รวดเร็วแล้วภาวนาไปถึงขันนี้ถ้ายังไม่ถ so ึงขั bye. ้นนี้เท่าไหร่มันก็ต้องโอ้ยต้องดูคุ้คันอย่างนั้นแหละพอถึงขั้นมหาจิตมหาปัญญาอัตโนมัติแล้วโอ้มันก็ว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันมันสำเร็จแล้วเจ็ดวันเจ็ดเดือนหกเดือนมันก็สำเร็จแล้วถ้าลงมันกล้าเข้าเข้ามหาจิตมหาปัญญาเลนะ มีปฏิญาตามเรื่ อ, องเจ้าของแล้วมีเจ็ดแปดเดือนนั่นพอกล้าเขาสติปัญญาสมัติแล้วก็เจ็ดแปดเดือนมันก็ตัดถิ่นกันที่ก่อนมันกล้าเขาที่ยังไม่กล้าเขาไปเชี้ผีดีผีเดินมันจะเป็นจะตายอย่นั้ Psalm, rica rica นเหร เวลายังไม่กล้าคนนั้นแหละกล้าคนนั้นแล้วมันก็พูดได้แล้วแน่ใจเลยถ้าลงเข้ากัน้นคติปัญญาตุลมะท์แล้วแน่เลยเร็วก็เร็วด้วยหมุนติ้วติ้วติ้วถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นมนจะจะทํายังไงมันก็ล้มลุกคลั่งอย่างนั้นแหละ เขาตั้งเขาก้าวเข้าสู่สติปัญญาตัวนอมัตแล้วเข้าไปหามหาสติมหาปัญญามันก็เร็วแล้วสิพอถึงขั้นที่กิเลสตัวไหนเจ๋งออกมาน น, น่นน่ะถึงขั้นเก่งสติปัญญาตัวนอมัตมหาสติมหาปัญญาถึงขั้นอันแล้วกิเลสตัวไหนเจ๋งออกมาเลยขาดจะบั้นไปตันทีน มันเหมือนกับกิเลสเอาเราขาดสะบั้นนั่นแห ล, ละเวลาถึงขั้นมันพอกันถึงขั้นอดีตมรรคเป็นมรรคที่ละเอียดสุดแล้วสัดแล้วเราขาดสะบัน้นสะบัน้นนะมันเห็นในหัวใจแนละ้วมันพูดได้เห็นนะเพราะมันเป็นหัวใจทุกอย่างที่พูดมานี่เพราะงั้นถึงว่าใครจะมาโกหกได้ญาณอยู่นะเรื่องสมาธิก็ดีวะเรื่องปัญญาก็ดีปัญญาข่ากิเลสอยู่วะอืม แต่ปัญญาความฉลาดแหลมคมนั้นยกให้เป็นตามนิสัยวาสนาอย่างฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนนับได้นั่นเป็นปัญญาประเภทหนึ่งเราไม่มีอย่างนั้นเอาจนตัวเปียกปอนจนตัวสันหนาป็นมาแล้น็นับอะไรนับเม่ดฝนว่าไงมันถึงขั้นเพียงกายมันเพียงกายจริงจริงจิเรนมันก็หมอบยอยู่ฉลาด ไม่แสดงง่ายๆนะที่นี่ก็ต้องคุยเคี่ยวขุดค้นกันหากันเนี่ยถึงขั้นนั้นแล้วขั้นคุยเคี่ยวขุดขุดค้นเนี่ยจิเด็ดไม่แสดงพอแจออกมามันก็ขาดสะบั้นไปพร้อมเลยเนี่ยออกมาได้ยังไงถ้าเป็นขั้นมหมาที่บาฮาปยากอนนั้นแล้วมันก็ไปนานอย่างว่านแหละเจ็ดปีเจ็ดเดือน เจ็ดวันเลยก็ได้แล้วจะแสดงสติปัฏฐานไหม ah, มห ah, าสติปัฏฐานสูตรก็จริงแต่จิตของเรามันไม่ได้เป็นมห ah, าสติจริงๆเหมอล้มลุกคุกคานอยู่นั่นเหมือนกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นมันไม่ได้เรื่องจริงๆพอก้าเข้าไปมหาติมห ah, า ah, ปัญญาเมื่อไหร่มันก็เป็นไปได้แล้วพุ่งพุ่งพุ่งไว่ามีวันนี้คืนนะ อยู่กับใครไม่ได้เลยนะเนี่ยผมผมเป็นยงจริงนๆนะอยู่คนเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นออกกรรมฐ า, านมันจึงเหมาะสมกับเรานี่สัยวัฒนะอาภัพได้กับหมู่กัเพื่อนไม่สบายไม่สนุกทุ่มลงเต็มที่ว่ายิ่งเข้าในขั้นปัญญาขั้นสติแต ป, ปัญญาตโนมัตินี้ด้วยแล้วโอนหนี้เข้ากับใครไม่ได้นะทั้งวันทั้งคืนอนอนจะหลับก็ไม่หลับ บางคืนตลอดรุ่งเลยไม่หลับมันทำงานไม่ถอยมันจะตายจริงๆมันเข้าสมาธิบางคับเข้านะเหมือนสมัยไม่มีสมาธินะเวลาออกทางปัญญาแล้วแต่ก่อนสมาธิก็ว่าเกียงไกลที่สุดอะเก่งมากเข้ามาเลยปุ๊บปบุ๊ไม่ไ ม, ไม่ไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญามันขี้เกียจมันอยากเข้าสมาธิมันอยากเข้านั้นไม่ทํางานอะไรแน่อยู่นั่นเลย คือเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วมันนั่งมาตั้มหนิดสมาธิว่านอนตายเฉยได้เห็นไหมสมาธิอันนั้นเหมือนไม่มีนะเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วเหมือนไม่มีสมาธิเลยแต่เวลาเข้ามื่อไรมันก็เข้าได้มันนเข้าแบบดึงกันแทบเป็นตตายที่มันเพลินต่องานมันไม่อยากเข้าต้องบังคับด้วยพุทโธผมไม่ลืมนะเอาพุทโธพุทโธปฏิกรรมเหมือนคนเพิ่งหัดสมาธิใหม่นะทั้งๆที่สมาธิมันเก่งอยู่แล้วล่ะ มันเพลินปัญญามากกว่าแล้วเหมือนหนึ่งว่าสมาธิไม่มีใช่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพรไม่มีอารมณ์อะไรกวนใจมีแ ต, พททตนน่พุทโธเท่านั้นพุทโธพุทโธถียิบลงไปแนวโอ้ยเหมือนถอดเสี้นถอดน้ํานะเวลามากิจเข้าพักสมาธินะเหมือนถอดเสื้อถอดน้ําเบาผิวสบายมดุดต่อยกังวลข้างนอกมดเข้าสมาธิ เพราะว่าต้องบังคับไว้นั่นน่ะไม่ใช่มันเข้าแบบนอนตายแต่ก่อนนะเรารามือเมื่อไหร่เรื่องเผลอนี่ยผมไม่อยากพูดหรอกมันไม่เผลอนี่จะทำไงพอรามือไม่ได้นะมันจะดีดออกมาเลยออกมาทํางานต้องบีบบังคับเอาไว้กับพุโทโธจกนกระทั่งมันพอแล้วจิตใจมีความอิ่มน้ําตํารานอยู่ในเหมือนกับเรารับทานหรือนอนหลับนีอิ่มน้ําตํารานแล้วจากสมาธิแล้วขึ้นอ่ะที่นี่พอขึ้นนี้นก็ผึงเลยที่โถที่นี่ไม่ใช่คนนั่นนะ เเหมือนจะไม่งานชิ้นนั่นนะมันขาดเร็วนี่อ๋อเป็นอย่างนี้เองพุงพ่งพุง่งพุ่งพุ่งเวลาไปสุดที่แล้วจะเหมือนคนไม่มีสติปัญญานะเอาเสียงไงแต่ห่อกอกอะไร้ัน เ, เนี้ยอ้อเลอกันแล้ว